และบัรดาผู้นำซึ่งปฏิเสธศรัทธาจากกลุ่มชนของเขากล่าวว่า เราไม่ได้เห็นท่านเป็นอื่นใดนอกจากสามัญชนเช่นเราและเราไม่เห็นผู้ใดปฏิบตัติตามท่านนอกจากบรรดาผู้ต่ำต้อยจากพวกเราที่มีความคิดตื้นตืนและเราไม่เห็นว่าพวกท่านประเสริฐกว่าพวกเราแต่พวกเราคิดว่าพวกท่านเป็นพวกผู้ านิรหมัมมินนลวกล่าวว่าโอกลุ่นชนของฉันพวกเจ้าเห็นแล้วใช่ไหมว่าหากฉันมีหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระผู้อิบานของฉันและพระองค์ทรงประทานความเมตตาจากพกระองค์แก่ฉันแล้วได้ถูกทําให้มันมืดมนแก่พวกเจ้า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 โอ้กลุ่มชนของฉันฉันไม่ได้ร้องขอทรัพย์สินอื่นใดสำหรับการเผยแพร่แต่รางวัลของฉันอยู่ที่อลัลลอฮ์และฉันจะไม่เป็นผู้ขับไล่บรรดาผู้ศรัทธาดอกแท้จริงพวกเขาจะเป็นผู้พบพระผู้อภิบาลของพวกเขาแต่ฉันเห็นว่าพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่งมงายวายัักรรมมมนนออี ล, ลตต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 ا. أ และฉันไม่ได้กล่าวแก่พวกเจ้าว่าฉันมีขุมคลังของอัลลอและฉันไม่รู้สิ่งที่พ้นญานวิสัยและฉันไม่ได้กล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นมารัก และฉันไม่ได้กล่าวแก่บรรดาผู้ที่สายตาของพวกเจ้าเหยียดหยามว่าอาลัลลอฮ์จะไม่ทรงประทานความดีแก่พวกเขาเอาลัลลอฮ์ทรงรอบรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเขาแท้จริงถ้าเช่นนั้นฉันจะอยู่ในหมู่ผู้อธรรมทั้งหลายออลูยานูฮฺขัดจาเดลตนาฟะอัคทร์ตจิดาลนาฟะอัตนาบิมาตัยดูนาอินคุนต์มินอฺสาดิกีน พวกเขากล่าวว่าโอนัวเอย๋ยแน่นอนท่านได้โต้เถียงกับพวกเราแล้วท่านได้ทําให้การโต้เถียงของเรามากเรื่องขึ้นดังนั้นจงนํามันมาให้เราเถิดในสิ่งที่ท่านได้สัญญากับเราไว้ถ้าท่านอยู่ในหมู่ผู้พูดจริงกออมยุบบนัวกล่าวว่า แท้จริงอัลลอฮ์เท่านั้นจะทรงนำมันมาอย่างพวกเจ้าหากพระองค์ทรงประสงค์แล้วพวกเจ้าจะไม่เป็นผู้รอดพ้นไปได้ว่าเลยอ ع ك م نصيئا อ ن أردت أن أنصح لكم إن كان ا ุ ل ه يريد أيضوايكم هو ربكم وإليه ترجعون คำแนะนำของฉันจะไม่เกิดประโยชน์แก่พวกเจ้าตามที่ฉันปรารถนา จะแนะนำพวกเจ้าท้าล้อทรงประสงค์ให้พวกเจ้าลลงผิดพระองค์คือพระผู้อวยบาลของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปอย่างพ ร, อระองค์ ร, ริบุมมมมเขากล่าวว่าเขามัวหมัดได้อุปโลกมันขึ้นมา มุมาตจงกล่าวเถิดว่าฉันอุปลโลกมันขึ้นมาความผิดของฉันย่อมอยู่ที่ฉันและฉันขอปลีกตัวออกจากสิ่งที่พวกเจ้ากระทำผิดและดิมุอ์การแก่นว่า แท้จริงจะไม่มีผู้ใดในกลุ่มชนของเจ้าศรัทธาเว้นแต่ผู้ที่ได้ศรัทธาแล้วดงนั้นเจ้าจงยาเศร้าหมองในสิ่งที่พวกเขากระทำเลยและเจ้าจงสร้างเรือต่อหน้าเราและตามคำบัญชาของเรา และจงอย่ามาพูดกับข้าถึงบรรดาผู้อารมแท้จริงพวกเขาจะถูกให้จมน้ำตายและเขาได้สร้างเรือและคลาใดที่ผู้นำจากกลุ่มชนของเขาผ่านมาทางเขาพวกเขาก็จะเยาะเยะ้ยเขา เขาก็กล่าวว่าหากพวกเจ้าเยอะเยยพวกเราแท้จริงเราจะเยอะเยยพวกเจ้าเช่นเดียวกับที่พวกเจ้าเยอะเยยแล้วพวกเจ้าก็จะรู้ว่าผู้ใดที่การลงโทษอันอัปยศจะมาอย่างเขา และการลงโทษอันยั่งยืนก็จะประสบแก่พวกเขาอย่างแน่นอน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 และวมันแล่นพาพวกเขาไปทํากลางคลื่นลูกเท่าภูเขาและนัวก็ได้ร้องเรียกลูกชายของเขาซึ่งอยู่อย่างโดดเดี่ยวโอ้ลูกหลักจงมาโดยสารเรือ ก, กับเราเถิด และเจะ้าจงอย่าอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเลยลูกชายกล่าวว่าฉันจะไปอาศัยที่ภูเขาลูกหนึ่ง มันจะคุ้มครองฉันจากนามนี้ได้นัวกล่าวว่าไม่มีผู้ใดที่จะคุ้มครองในวันนี้ให้พ้นจากพระบัญชาของอัลลอ์ได้เว้นแต่ผู้ที่พระองค์ทรงเมตตาเท่านั้นและคลื่นได้ซักเข้ามาระหว่างเขาทั้งสองและปรากฏว่าลูกชาย ได้อยู่ในหมู่ผู้จมน้ำตายและได้มีเสียงกล่าวว่าโอแผ่นดินเ อ, อ๋ย จงกลืนน้ำของเจ้าและโอ้ฟ้าเ อ, อ๋ยจงหยุดและน้ำได้ลดลงและกิจการได้ถูกตัดสินและมันได้จอดเทียบอยู่ที่ภูเขาอยู่ดีและได้มีเสียงกล่าวว่าความหายนะจงประสบแก่กลุ่มชนผู้อารรมเถิด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 าานนพร้อมตัดว่าโอ้นัวเ อ, อ๋ยแท้จริงเขาไม่ได้เป็นคนหนึ่งในครอบครัวเจ้า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 ได้มีเสียงกล่าวว่าโอนัวเอยจงลงไปจากเรือด้วยความสันติจากเราและความจำเริญแก่เจ้า และกลุ่มชนที่อยู่กับเจ้าและกลุ่มชนอื่นที่เราได้ให้พวกเขาหลงระเริงแล้วการลงโทษอย่างเจ็บปวดจากเราก็จะประสรบแก่พวกเขา เหล่านั้นคือส่วนหนึ่งของเรื่องราวอันเร้นลับที่เราได้ให้องค์การมาอย่างเจ้ามูฮัมหมัดเจ้าไม่รู้เรื่องนี้และกลุ่มชนของเจ้าก็ไม่รู้มาก่อนเลยดังนั้นเจ้าจงอดทนแท้จริงบรรปลายที่ดีนั้นจะประสบแก่บรรดาผู้ย่ำเกรง إن أن และอย่างอาจเราได้ส่งพี่น้องคนหนึ่งจากพวกเขาคือพูดเขากล่าวว่าโอกลุ่มชนของฉันพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อลอสเทิ์ดพวกเจ้านั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพรอม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 จงขอพยโทษ ต, ต่อพระเจ้าของพวกเจ้าและจงกลับตัวต่อพระองค์เถิดพระองค์จะส่งเมฆมาให้พวกเจ้าให้หลังน้ําฝนลงมาอย่างหนักและจะส่งเพิ่มพลังให้เป็นทวีคูณแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจงอยา่าผินหลังโดยเป็นผู้กระทําผิด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 และพวกเจ้าจะได้ให้ฉันต้องรอคอยเลยนะ้าและองาด้ับบนอกาะอคนนระา็ารสวรถ้าจริงฉันขอมอบหมายต่อโลพระผู้อภิบาลของฉัน และพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าไม่มีสัตว์เลื้อยคลานใดๆเว้นแต่พระอ ง, งค์ทรงกำคมขำับมันไว้แท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันนั้นอยู่บนทางที่เที่ยงตรง <S <S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 พ้นจากการลงโทษอันโหรารา ด, ด ร, าา ร, ะะร้บบายและนั่นคือกลุ่มชนอาดพวกเขาปฏิเสธองค์การทั้งหลายของพระผู้อภิบาลของพวกเขาและฝ่าฝืนต่อบรรดาศาสน า, า, าทูตของพระองค์และปฏิบัติตามคำสั่งของ ผู้ยะโสโอหังและผูฟฟ้ฝ่าฝืนทุกคนและพวกเขาถูกติดตามด้วยการสาบแช่งในโลกนี้และในปรโลกพึ่งทราบเถิดว่าถ้าจริงกลุ่มชนอาร นั้นได้ปฏิเสธศรัทาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาพึงทราบเถิดว่าจงห่างไกลาจากความเมตตาเถิดสำหรับอาจกลุ่มชนของหูดว่าอิลาซมูดอะคอฮุมซอลิฮากาลยากอมอับดุลลอฮมาละคุมมินอิลาฮินกอยรุฮุวะอันชากุมมินอัลอฎอวัสตามัรคุมฟีฮา และยังสมูทเราได้ส่งพี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือซอแะเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันพวกเจ้าจงเคารพพักดีต่ออลอทเถิดพวกเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์พระองค์ทรงบังเกิดพวกเจ้าจากผ่นดิน และส่งให้พวกเจ้าพำนักอยู่ในนั้นดังนั้นพวกเจ้าจงขอภัย่โทษ ต, ต่อพระองค์และจงกลับตัวต่อพระองค์เถิดแท้จริงพระผู้ดีบานของฉันนั้นทรงอยู่ใกล้ทรงตอบรับการขอเสมออาลูยาซาลิฮฺมุกดุุนทฟีนามะรูอันกับล่าฮะดะอัตันฮานะอันอับดุลมะยาบุดอาบา ว ا إ พวกเขากล่าวว่าโอ้ซาเลเอ๋ยแน่นอนท่านเคยเป็นความหวังในหมู่ของพวกเรามาก่อนบัดนี้ท่านจะห้ามไม่ให้เราเคารพภักดีสิ่งที่บรรพบุรุษของเราเคารพภักดีกระนั้นหรือ และแท้จริงพวกเราอยู่ในการสงสัยต่อสิ่งที่ท่านร้องเรียกเชิญชวนเราไปอย่างสิ่งนั้นเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉัน พวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือหากฉั้นมีหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระผู้อภิบาลของฉันและพระองค์ทรงประทานความเมตตาจากพระองค์แก่ชั้นดังนั้นผู้ใดเล่าจะช่วยชั้นให้พ้นจากอัลลอ์หากชั้นฝ่าฝืนพระองค์ดังนั้นพวกเจ้าจะไม่เพิ่มภูณสิ่งใดให้แก่ชั้นได้เลยนอกจากการขาดทุนเท่านั้น และโอ๊กกลุ่มชนของฉันนี่คืออูด ต, ตัวเมียของอัลลอฮ์เป็นสัญญาณหนึ่งแก่พวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงปล่อยมันให้หากินตามลำพังในแผ่นดินของอัลลอฮ์และอย่าก่อความทุกข์ยากแก่มัน มีฉชนนั้นแล้วการลงโทษอันรวดเร็วจะประสบกับพวกเจ้ า, า, ต, า, าต่อมาพวกเขาได้ฆ่ามันดังนั้นซอเลจึงได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงสุขํำราญในบ้านของพวกเจ้าเป็นเวลาสามวันนั่นคือสัญญาที่ไม่โกหกต่อ ม, มา ي ي ز ز ดังนั้นเมื่อพระบัญชาของเราได้มาถึงเราได้ช่วยซอน แ, และบรรดาผู้ศรัทธาร่วมกับเขาให้รอดพ้นด้วยความเมตตาจากเราและจากความกดสูงของวันนั้น แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชาศัิ์ภาพและเสียงกำมะนาดได้ทำลายบรรดาผู้อาธรรมและพวกเขาก็ได้กลายเป็นผู้ นอนพังภาพตายในบ้านของพวกเขาแคลมยนีนยนฮอลาอินนมูดรูรบบมอลาบุดลิมูดเสมือนกับว่าพวกเขาไม่ได้เคยอยู่ในนั้นมา ก, ก่อนพึงทราบเถิดว่าแท้จริงสมุดนั้นปฏิเสธสตาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาพึงทราบเถิดว่า งห่างไกลจากความเมตตาเถอิดสําหรับสมุติบและแน่นอนบรรดาศาสนาทูตของเราได้มายัางอิบรอฮีมพร้อมด้วยข่าวดีพวกเขากล่าวว่าขอความสานติ จงมีแด่ท่านอิบราฮิมกล่าวว่าขอความสันติจงมีแด่พวกท่านดังนั้นเขาไม่รีรอที่จะนำลูกวัวย่างออกมาลม่อเหอขยวกาไมสมารถขหนกกรละเาอสึกลักม่ลาา ครั้นเมื่อเขาเห็นว่ามือของพวกเขาไม่ถึงมันเขาไม่พอใจและรู้สึกกลัวพวกเขาพวกเขากล่าวว่าอย่า ก, กลัวเลยแท้จริงเราถูกส่งลงมายังกลุ่มชนของลูท uh oh ah และภรรยาของเขาก็ยืนอยู่นางได้วรรคเราจึงแจ้งข่าวดีแก่นาง ด้วยการได้บุตรชื่ออิสาหและหลังจากอิสาหคือยะกุบนางกล่าวว่าโอ้แปลกแ ท, แท้ฉันจะมีบุตรหรือขณะที่ฉันแก่แล้วและนี่สามีคนฉันก็แก่งอมแล้ว แท้จริงนี่เป็นเรื่องประหลาดแท้